ฉะนั้นจะทำวันไหนกลางวันหรือกลางคืนได้ท้งนั้นอย่าไปคอยจำศีลแต่วันพระถ้าโยมอยากจะเป็นคนมีศีลนั้นโดยวิธีที่ถูกต้องเขาทำยังไงแต่โดยรูปแบบสังคมที่สังคมคือการอยู่เยอะๆแล้วเขากำหนดขึ้นมาว่าเพื่อไปรวมตัวกันเยอะๆอยู่ในวัดไปขอศีลให้พระว่าศีลเราก็ว่าตามอันนี้เขาเรียกว่าพิธีการ ทางสังคมที่เขากำหนดขึ้นแต่ถ้าวิถีชีวิตจริงๆแล้วอยากมีศีลนั้นสีเหตยังไงอยากมีศีลอันแบบว่าไปเขาวัตติไปขอจากพระที่ให้พระพันให้ศีลอันนี้อัตมาบริเนยุดิเนี่ยพระวิญญาณเนียมเหตยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นนักบุญจริงๆนะไม่ใช่นักบุญที่มีแต่รูปแบบอยากเป็นนักบุญจริงๆเมื่ออยากมีศีลจะทำยังไง ศีลนั้นมันเป็นความดีงามทางกายศีลมันเป็นความดีงามทางวาจาถ้าเราทําอะไรที่ดีงามเขาเรียกว่าทำแบบมีศีลถ้าเราพูดอะไรแล้วมันดีงามเขาบอกว่าพูดแบบมีศีลมีศีลนะทีนี้ความดีงามในสิ่งที่เราจะทํานะหรือความดีงามที่เราจะพูดนะมันเป็นสมบัติของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของความดีงาม ท่านอยากจะทำสิ่งที่ดีงามท่านทำไปเลยเป็นศีลทันทีเป็นศีลโดยการทำที่ดีนั่นแหละทำดีเมื่อไรเป็นศีลเมื่อนั้นศีลจริงๆมันอยู่ตรงที่การทำดีพูดดีเมื่อไรไม่เสียหายไม่ไม่เป็นโทษพูดดีแบบมีคุณมีประโยชน์ก็พูดอย่างมีศีลฉะนั้นท่านจะเป็นคนมีศีลนั้นท่านเป็นได้ทุกขณะ พระเวสสันดรไปสร้างความดีไม่ได้ไปสร้างอยู่ที่วัดตอนนี้ไปอยู่เขาวงกดไปอยู่อย่างไกลที่ไกลน้องไกลบ้านไกลเมืองจะทําความดีพระเวสสันดร น, นั้นต้องไปหาพระวัดไหนในการไปขอศีลมายังพันเตยอยู่ที่ไหนความดีไม่ใช่อยู่ในกระเป๋ายา่มของพระ ขอแน่ขนาดเออคันสิขอพันนาไปขอบกักม่วงในวัดยังสั่นเพลินกับทีหยอยูอ่ขอหนังสือสวดมนต์ยังสั่นต้องขอจากเพลินกันเพลินมีแต่ความดีนั้นท่านจะทำท่านทำได้ทันทีโดยสภาพของนักบุญนะไม่ขอจากพระก็ทำดีได้ฉะนั้นบ่ได้วามายั่งพันเตบ่ได้ไปขออยู่วัด อยากเป็นคนมีศีลเออมาอนีวันพาบอกมีเวลาไปวัดตั้งใจมาหนีเสียรักษาความดีของศีลขอนึงสองสามสีจนหอดแปดตั้งใจแล้วกับปฏิบัติทันทีนั่นล่ะมีศีลฉะนั้นวิธีมีศีลเพิ่งจะสอนไวสามแบบเป็นอย่างคือสอนหลายหลายแบบแต่วิธีอยากมีศีลเขาญานมีคนมีหลายแบบคนมันมีหลายแบบก็เลยสอนวิธีมีศีลอยู่หลายๆแบบ สมุติว่านิสัยคนมันมีหลายลักษณะอารมณ์ค้นก็มีหลายอารมณ์สมุติว่าลูกของเข้าในน้อยยังเป็นคนหน่อยอยู่ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่สี่ไฮลูกไปโรงเรียนสิเห็ดยังไดเอาผููเคยเลี้ยงลูกเห็ดได้หลายวิธีอยู่แบบหนึ่งมันบอไปก็อ่อยเอาอีหลา่าอีนางเว่าแต่คำดีๆจะไปโรงเรียนเด้อลูกเด้อลูกคนดีลูกคนผู้โง่ของแม่ อ้ยลูกนะฮะเคยหยั่งแบบนี้เขาเอินนะบางคนก็ใส่แบบนี้อีหลี่เด้ยอ้อยเอาว่าวดีเอาบางคนพอเว้าเอาเว้าดีออยดีเอากะไปอีหลีไปลูกหล่าไปแมสิอมไปขึ้นรถก็ไปอีหลีบางคนนั่นแบบทีหนึ่งอ้อยเอาแบบหนึ่งอีกอ้อยยังได้ก็บอบไปลูกหล่าไปซะอิเมซี่สื่อลูกโปงเหนน็นเนาะลูกเนาะเออโหลดเลยกันไดลูกโปงเราไปโลด น, นั่นแบบหนึ่งอ้อยพอได้ผล ว่าอดซื้อๆบ่ได้ผลไข่สีซื้อลูกโป่งให้เจ้าเอาน้อลูกเนาะได้ลูกป่งเราไปโรงเรียนเนาะไปสื่ออยู่โรงเรียนเนาะเออโหลดเดยไปโหลดนี่กะวิธีนึงเอาไปโรงเรียนจนได้วิธีไดวิธีหนึง่งบางคนอาจจะพอซื้อลูกโป่งแต่ว่าลูกไปโรนนะงเรียนเนาะอยู่โรงเรียนนี่ยเขาขายขนมลายๆนี่เมื่อเสียห้ยเงินไปเนาะเออโหลดเดยอยากกินขนมวันเถอะไปโหลดนี่วิธีสรุปแล้ว ไปหอดลงเลี้ยนแต่ว่าใส่วิธีคนละแบบคนอยากมีศีลเขาทำได้สามวิธีสามวิธีนี้วิธีบางอย่างเหมาะกับคนที่ยังอ่อนแอเหมือนเด็กที่เดินไม่ได้ล่ะถึงจะมีสองขาก็เป็นขาที่อ่อนแอเด็กเดินไม่ได้เราต้องจับมือคอยประคองให้เด็กมันเดินตอกแ๊กตอกแตกขาเขาอ่อนแอเขาเดินเองไม่ได้ ชาวพุทธก็เหมือนกันบางคนเป็นชาวพุทธที่อ่อนแอปวกเตียกจะอยากจะมีศีลทั้งทีจะต้องเสียเวลามากจะต้องให้มีคนอื่นเป็นพยานฉะนั้นวิธีมีศีลเขาบอกไว้สามอย่างบังเดอร์ไม่ไงนี่แบบใดเนี่ยนสมาทานวิรัติจะปฏิบัติศีลทั้งทีไปหาพระไปขอศีลจากพระมายังพันเตงองนี้ทีนี้ ตัวเองก็ว่าศีลได้เหมือนกันแหละแต่รูปแบบมันพาทําให้พระว่าแล้วก็ว่าตามพร ะ, ะไคไข่ยข่มอลลํามยังสั่นละ่ะว่าตามพระแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าแบบคนที่ยังอ่อนแออ่อนแอหมายถึงยังไงคือเขามุ่งต้องการให้อายว่าอุตส่าห์ไปวัดแล้วนะอุตส่าห์ขอจากพระแล้วนะพระเป็นพยานแล้วนะ อย่าไปโกหกท่านนะว่าดิฉันอยากจะรักษาศีลขอศีลหน่อยเจ้าข้ารับไปแล้วต้องปฏิบัตินะคล้ายๆว่าเอาตัวเออเอาคนอื่นนั้นมาเป็นเครื่องมัดตัวเองเอาคนอื่นมาเป็นพยานเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองรู้จักกระดากรู้จักอายว่ารับศีลจากพระแล้วอย่ามาทําเล่นๆอย่ารับเล่นๆ เ, เขาก็คงจะมุ่งผลพลอยได้บ้างแหละจึงต้องทํารูปแบบอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาทานบิรักแบบที่สอง เจตนาวิรัตไม่ไปหาพระแต่รู้ว่าวันนี้เป็นวันพระงานมันยุ่งเหยิงอยู่ที่บ้านตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะรักษาศีลทั้งแปดข้อคือหนึ่งสองสามสี่ฉันจะทำอย่างนี้ห้าหกเจ็ดแปดฉันจะทำให้ได้วันนี้วันพระตลอดวันตลอดคืนจะรักษาศีลแปดแล้วตัวเองก็อยู่แบบทำอะไรไม่ให้ผิดศีลในวันนั้น พยายามที่จะพูดอะไรไม่ให้ผิดศีลในวันนั้นการทำอย่างนี้เรียกว่าเรามีศีลแบบเจตนาวิรัตแบบเจตนาวิรัตแบบนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเจตนาหังพิกเเวกัมมังจะเป็นกรรมดีจริงๆกรรมชั่วจริงๆมันต้องถึงจิตถึงใจด้วย คนอยากทำดีแล้วตั้งจิตตั้งใจจะรักษาศีลหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, ได้ตั้งใจอย่างนี้เขาเรียกว่าดีบรมณบได้ตั้งใจจอยไปว่าตามพระปานาทิตปาตาเววามวลปัญญ์ล่ลงทายว่าเว ร, รมณีเว ร, รมณีนั้นมันเป็นคำที่ขยายอาการของจิตว่าตั้งใจจะงดเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตของเขาข้อหนึ่งข้อที่สองข้าไปเจ้าจะตั้งใจงดเว้นไม่ลักทรัพย์ของใคร เป็นเรื่องของเจตนานั่นแหละจะตั้งใจทําดีทําไมจะต้องมาว่าต่อหน้าพระไม่ว่าได้ไหมได้เอาศีลแบบเจตนาวิรัติเนี้แบบหนึ่งอีกไม่อยากจะมานั่งกําหนดตัวเองว่าจะรักษาศีลแปดข้อหนึ่งอย่างนี้ข้อสองอย่างนี้ข้อสามอย่างนี้ไม่อยากจะมานั่งนึกแต่จะมีศีลแบบที่สามก็เรียกว่าสัมปัตตวิรัต อยู่ๆไปจะทําอะไรเอออันนี้ดีทําไปเป็นศีลในตัวเลยไปไปไปปั๊บเห็นกระเป๋าสตางค์เขาวางไว้เขาเข้าห้องน้ํามองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครเลยโอ้นี่ของเขาไม่เอาดอกผิดศีลเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้าแต่เห็นแล้วรู้ว่าไม่ดีก็ไมท่ทําเป็นศีลทันทีนี่แบบสัมปัตวิรัติบางคนบอกโอ้ยขน่อยเสียใจร้ายว่าติตั้งใจถือศีลแปดตลอดพรรษาทุกวันพระ มาว่านนี่ขน่อยลราไปงานศพอ่าขน่อยไปท้ำบุญโยบ้านเขากลับมามันลราสวยแล้วทั้งวัดคงสิฉันอาหารแล้วคงสิษห์ศีลแล้วขน่อยก็เลยบด้รักษาศีลแปดโอ้ยมาเคยเหตุบาปเจ้าของแท้ตั้งใจดีดีแต่บ่หูจากวิธีสิมีศีลกว่ามันสวยแล้วกลับจากท้ำบุ ญ, ญาบานพี่น้องอยก ข, ง ข, ง ข, งขงังสิออกมาวัดเพิ่นกับศีห้ศีลแล้วละตีปา น, นิวัฒน เอาไปเอามาศีลเลิกกายเป็นอยู่ในกระเป๋าพระเมื่ต้องไปขอจากกระเป๋าเพื่อนไปขอจากยามเพื่อนขสรักษาศีลบ่ได้พิษแทๆ้ๆเอาใหม่เดอ้อมาหัวร้านบุญเราได้นี่ฉะนั้นคําว่าบุญจึงหมายถึงทําอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ถ้าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามศีลตามธรรม ถ้าสิ่งนั้นๆมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำไปเถอะพูดไปเถอะคิดไปเถอะเป็นบุญทั้งนั้นอย่างมาเดี๋ยวนี้มาไหว้พระสวดมนต์เป็นบุญไหมมันเป็นความดีตรงไหนมันเกิดคุณเกิดประโยชน์ยังไงมันก็เป็นบุญเหมือนกันแหละการทําวัดสวดมนต์เพราะพระพุทธเจ้านะ่ะเป็นคนทําดีพูดดีคิดดีเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเมื่อท่านตายแล้วแต่ความดี ของท่านบุญคุณของท่านยังเหลืออยู่ว่าท่านดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เอาความดีความประเสริฐของท่านมากล่าวสารเสริญเพื่อจะไม่ได้ลืมความดีความประเสริฐของท่านจะได้ติดปากเราติดใจเราฉะนั้นการทําวัดสวดมนต์โดยเฉพาะทําวัดเย็นทำวัดเช้าอย่างนี้แหละบทบทที่เขากําหนดตายตัวนั้นไม่ได้บทพิเศษสวดแถมท้ายนะแต่ละวัดอาจจะไม่เหมือนกันแต่บทจริงๆ กำหนดเหมือนกันตอนต้นๆกล่าวความดีความประเสริฐของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เถอท่านดีท่านประเสริฐยังไงกล่าวและจะเป็นมงคลแก่ปากแก่ชีวิตดีกว่าจะมีปากไว้กล่าวนินทาคนอื่นมันเป็นเสนียดเป็นสิ่งไม่ดีเสียนิสัยเมื่อไม่ดีเสียนิสัยแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่ตามมานั้นมันจะให้เราเดือดร้อนฉะนั้นการสวดมนต์นั้นจึงเป็นการทําตัวให้ใกล้ชิดกับความดีความประเสริฐ โดยรูปแบบอย่างหนึ่งแต่ถ้ารู้จะคิดเราจะภูมิใจนะเวลาสวดมนต์ถึงสวดไม่ได้แต่เรารู้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ท่านมานั่งกับให้เราเห็นหน้าไม่ได้แล้วจะไปใกล้ชิดโดยร่างกายไม่ได้แล้วแต่ความดีของท่านเป็นยังไงความประเสริฐของท่านเป็นยังไงเรายังจำได้เราเอามาสวดมาสรรเสริญมาเทิดทูนมายกย่องนี่เป็นรูปแบบวิธีการยกย่องเขาเรียกว่ารำวัด แต่ก่อนพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เวลาไปทำวัดก็คือไปเฝ้านั่นแหละไปใกล้ๆไปฟังท่านพูดไปฟังท่านสอนตอนเย็นๆชาวบ้านจะถือดอกไม้ธูปเทียนออกไปวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่ไปฟังท่านเทศท่านอบรมอย่างนี้เรวไปเฝ้าตอนเย็นเดี๋ยวนี้ชาวพุทธก็เลยถือเป็นธรรมเนียมว่าตื่นขึ้นมาเอาความดีเข้าสู่ตัวคือไหว้พระสวดมนต์บางคนถามว่าจะสวดมนต์บทไหน เขาไม่มีสูตรตายตัวดอกอะไรที่มันสรรเส ร, ริญความดีของพระพุทธเจ้าโดยย่อแต่เรามานั่งคิดยาวๆเอาก็แล้วกันถ้าใครท่องไม่ได้มากก็เอาออิติปิโสพักวาจบท่อนนั้นก็เป็นการกล่าวสรรเส ร, ริญความดีของพระพุทธเจ้าหลักสําคัญสําคัญสวากขาโตพักวาตาธรรมโมสวดจนจบสวากขาโตนั้นซึ่งไม่ยาวหรอกนั่นก็สรรเสริญคุณความดีหรือความสําคัญของพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้ว่าพระธรรมมีความสําคัญเราก็จะเกิดกําลังใจอยากเรียนพระธรรมเพราะรู้ว่ามันสําคัญอยากเรียนรู้เพราะเห็นว่าพระธรรมสําคัญก็เลยเอามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เรียนเล่นเล่นฉะนั้นเมื่อถึงจะราลึกถึงพระสงฆ์ลูกสิทธิ์ลูกหาของพระพุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรพระโมกขลานะพระมหากรัสปะท่านมีความดีความประเสริฐเหมือนกันเราก็มาสวดสุปฏิปันโนจนจบ จะเอาเพียงเท่านี้ก็ได้อย่าไปคิดว่าสวดเยอะแล้วได้บุญเยอะนะการจะได้บุญเยอะหรือบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าสวดมากหรือสวดน้อยแต่อยู่ตรงที่ว่าหนึ่งรู้ไหมว่าสวดอย่างนั้นมุ่งอะไรถ้ารู้จุดหมายแล้วตอนนั้นใจมันจะแช่มชื่นใจมันจะเ อ, อิบอิ่มประการที่สองคณะสวดนั้นมันจะได้ผลทางอ้อมถ้าได้ผลทางอ้อมนั้นสวดมากอาจจะได้ผลทางอ้อมมากหน่อย คือเวลาสวดนั้นตั้งใจสวดจิตไม่ได้ล่องลอยไปนอกตัวจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านไปนอกตัวเพราะความคิดมันจดจ่ออยู่กับบทที่สวดตั้งใจอยู่กับบทที่สวดจิตเลยเป็นสมาธิไม่วอกแวกไปทางอื่นฉะนั้นสวดนานก็เป็นสมาธิไปนานแต่มันเป็นสมาธิแบบหยาบหยาหยุดสวดปั๊บมันก็แวอกไปที่อื่นเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรจะได้ผลทางอ้อมบ้าง น, นิดๆหน่อยเท่านั้น ฉะนั้นบางคนอย่าไปน้อยใจว่าดิฉันสมองไม่ดีสวดมนต์ได้นิดเดียวไม่ได้บุญเยอะเหมือนเขาอันนี้คิดผิดสวดไม่ได้เลยสักคําแต่รู้ว่าพระพุทธเจ้าดีประเสริฐยังไงยังไงรู้ด้วยจิตนึกด้วยจิตได้บุญเยอะกว่าสวดพอเป็นพิธีโดยซ้ําไปเพราะคนมีดีจริงนั้นมันต้องเป็นดีที่ถึงใจดีที่เกิดกับใจจึงจะถือว่าดีแท้เหลวแท้ก็เหมือนกันทะเลวถึงใจถือว่าได้บาปแท้เลยละ่ะ ครูตีนักเรียนเพี้ยเลวถึงใจไหมนักเรียนเจ็บปวดแต่ว่าครูคนนั้นใจเขาไม่ได้เลวนะเด็กคนนี้ดือ้อเขากลัวเด็กจะเสียคนสอนแล้วแนะแล้วไม่อยากให้เขาเสียคนสอนจนหมดเหตุผลแล้วเขาก็ยังประพฤติไม่ดีก็เลยขู่ครูแล้วก็ยังประพฤติไม่ดียังดื้ออยู่ เอ๊ถ้าปล่อยไปอย่างนี้เขาเสียอนาคตสงสารพ่อแม่เขาเอ๊สอนก่อนแล้วเด็กมันไม่เชื่อต้องตีขู่ไว้บ้างตีไปเพี้ยไปการตีเหมือนกับการโหดเที่ยมแต่ใจของครูจริงๆไม่ได้เลวไม่ได้เป็นบาปตีด้วยความหวังดีตีเพื่อป้องกันไม่อยากจะให้เขาเลวนี่มันเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของใจฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นนักบุญจริงๆขอให้ถึงใจประมาณซาเพสัตตานี่ปากว่าได้หนิอาจัยพอ ถ, ถึงใจก็ได้ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขหมดกัดปากสวดมือตบเปี้ยงยุ่งกันมันก็ได้ว่ายู่พิธีการแต่ว่าเขาบอกว่าพูดเพื่อให้ใจเมตตาสงสารสัพเพสตาตตเปะอูเลือดอ้าวสัพเพสตาอเวราหวนตุตบเปะยงสนฉะนั้นได้บุญจริงๆนะถึงว่าไม่ได้แต่สงสารสัตว์ทั้งหลายไม่อยากเบียดเบียนจิตเราไม่เคยขาดเมตตาวาสัพเพสตาบได แต่เป็นคนมีเมตตาบารมีฉะนั้นถ้าจะมีรูปแบบอาตมาไม่ว่าหรอกแต่ขอให้เป็นรูปแบบที่ให้มันถึงจิตถึงใจอย่าไปติดอยู่แค่เพียงรูปแบบรับศีลก็อย่าภูมิใจเพียงแต่ว่าได้ว่าตามพระต้องให้ถึงใจว่ารับศีลจากพระแล้วนะจะเอาไปประพฤติปฏิบัตินะไม่ใช่ของรับเล่นๆของดีของประเสริฐนั้นรับไปเพื่อประพฤติปฏิบัติ อาหารดีถ้ามันอยู่ในถ้วยอยู่มันให้กําลังเรายังไม่ได้ดอกมันเป็นประโยชน์ยังไม่ได้ดอกยาดีอยู่ในขวดยังไม่ได้กินมันก็ช่วยแก้กโรคไม่ได้ดอกการที่เราเข้าวัดก็เช่นเดียวกันอย่าให้ความดีมันอยู่กับหนังสืออย่าให้ความดีมันอยู่กับธรรมาภอย่าให้ความดีมันอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าต้องให้อยู่กับจิตกับใจของเราบารมีทุกอย่างต้องให้เกิดกับจิตกับใจบางคนพูดอย่างนี้ว่า พระมีแตะให้ทำบุญฉันนะ่ะจนฉันน่ะเป็นคนจนจะเอาอะไรทำบุญกับเขา <c oughs> ถ้าทำบุญเราก็ยากจนสิเราก็ไม่มีอยู่มีกินสิพระมีแต่ชวนให้ทำบุญเข้าใจผิด <c oughs> บางคนมองการทำบุญว่าต้องมีซองขาวๆต้องเอาเงินใส่ในซองคิดว่าแค่นั้นแหละคือบุญก็บอกแล้วว่าการที่เราทำสิ่งที่ดีงามด้วยกายมันเป็นบุญทั้งนั้นแหละ เข้ามาวัดเอาอาหารมาถวายพระหรือมาเฉยเฉยไม่เอาอาหารมาเราเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองสมมติว่ามาเฉยเฉยเอเห็นห้องส้วมมันสกปรกอยากโยมเข้ามาวัดกัไปใช้ห้องส้วมใช้เสร็จแล้วบางทีกลับบ้านห้องส้วมสกปรกพระเนรไปล้างเอ้มันจะบาปแล้วตอนนี้เห็นห้องส้วมสกปรกเราไปเช็ดไปถูไปทําความสะอาดห้องส้วมอย่างนี้ก็เป็นการทําสิ่งที่ดีงามเป็นบุญทันที ว่เห็นได้เสียแจ็กบาทฉะนั้นการเป็นนักบุญนั้นอย่าเป็นนึกว่าโอ้ยจนจ็กสิทธิ์บุญได้จังได้อย่าเป็นนึกว่าแค่บริจาคเป็นบุญนาะทำความดีก็เป็นบุญนี่ท่านทั้งหลายมามาช่วยกันปูเสื่ออย่างนี้ก็เป็นบุญพากันขนฟางมามาปูอย่างนี้ก็เป็นบุ ญ, าาาาาา บ, ญบางคนโอ้ยเห็นว่าคนจะมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปช่วยทำครัวติดปืนติดไฟหงเขา่าหงปลาช่วยนั่นก็เป็นการทำความดีก็เป็นบุญ ฉะนั้นไม่ไงขันจนก็อย่าไปหน่อยใจเป็นนักบุญใดยูดอกอย่าสิว่าโอ้ยผู้ข่าจนผู้ข่าเฮ็ดบุญบ่ได้เด้อมี่กายแล้วทําความดีมันเป็นบุญมี่ปากแล้วเว่าสิ่งที่ดีที่งามมันก็เป็นบุญก็จะขอจบขมวดท้ายนี้ว่าท่านได้ยินคําว่าบุญมานานแล้วท่านก็เคยทําบุญมามากแล้ววันนี้ขอสรุปว่าบุญนั้นถ้าพูดตรงที่ กายวาจาใจบุญก็หมายถึงการทําพูดคิดในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นั่นแหละคือบุญถ้ามองที่กายวาจาใจนะแต่ถ้ามองที่ศัพท์คําว่าบุญมองที่ศัพท์มันจะแปลว่าสิ่งที่เฟื่องฟูไม่น่าแปลหรอกเพราะว่ามันเป็นสภาพอย่างหนึ่งแล้วเรามากําหนดคําพูดขึ้นมาไม่ค่อยจะตรงกับสภาพ เอางี้ดีกว่าอัตมาไม่แปลตามรูปศัพท์แปลในความหมายโดยสภาพดีกว่าบุญคืออะไรไม่ไงฮะต้อคว้มดีบุญมีโตบ่บ่หนึกว่ามันปากแบนๆคือเป็ดผู้ใหญ่ดำสันดอกไม่ไงว่าบ่ามีโตเอาบุญท่าเขียน เขียนให้ความหมายตามตามลักษณะตามอาการแล้วนี่จะพูดได้สามลักษณะหนึ่งบุญโดยสภาพสภาพของบุญมันเป็นยังไงสภาพของบุญนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สะอาดเป็นสิ่งที่ดีที่สะอาดสภาพที่ดีที่สะอาดเรียกว่าบุญถ้าเรียกโดยสภาพนะสภาพที่มันดีสภาพที่มันสะอาดบริสุทธิ์ เรียกว่าบุญนั่นโดยสภาพถ้าโดยเหตุโดยเหตุบุญคือการทำดีพูดดีคิดดีนี่แหละโดยเหตุนั้นบุญหมายถึงการทำดีพูดดีคิดดีเพราะถ้าทำดีพูดดีคิดดีเขาเรียกว่าทำบุญเอ้ามันเป็นเหตุยังไงถ้าทำดีพูดดีคิดดีแล้วมันเป็นเหตุให้ติดนิสัยดีทำดีพูดดีคิดดีแล้วจะเกิด ความสุขความเจริญเพราะการทําดีพูดดีของตัวเองฉะนั้นบุญโดยเหตุนั้นคือการทําดีพูดดีคิดดีบุญโดยผลละ่ะบุญโดยผลนั้นคําว่าทําบุญหมายถึงทําสิ่งซึ่งมันจะทําให้เราได้รับความสุขความเจริญความสุขความเจริญที่เราหวังนั้นแหละคือตัวบุญเทนี้บางคนรู้แต่ผลไม่รู้เหตุ อยากจะมีความสุขอยากจะมีความเจริญอยากได้ลูกหลานดีแต่ไม่รู้สาเหตุบ่าบุญโดยสาเหตุมันเป็นยังไงมันเกิดได้ต้องมีเหตุสิผลมะพร้าวมันต้องเกิดมาจากต้นมะพร้าวผลมะละกอมันต้องเกิดจากต้นมะละกออยากได้ผลมะละกอก็ต้องปลูกต้นมะละกอฉะนั้นถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีแล้วมันจะออกผลไปเป็นยังไงก็ออกผลเป็นความสุขความเจริญที่เราหวัง ฉะนั้นถ้าเราหวังความสุขความเจริญต้องทําแบบไหนก็ต้องทําดีพูดดีคิดดีถ้าเราอยากจะไปเกิดในภพในภูมิที่ดีชาติต่อๆไปต้องทํำยังไงโดยเหตุก็คือต้องทําดีพูดดีคิดดีแล้วมันจะเป็นเหตุให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีนี่แหละพูดคําว่าบุญโดยลักษณะหลายๆประการให้ทราบแล้วเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่จริงก็เกรงใจนะเกรงใจ จะจบแล้วแต่ขอพูดออกตัวว่าเมื่อวานที่มาไม่ทันนั้นทําความเข้าใจนิดหน่อยเดี๋ยวพี่น้องจะมีความเสียใจจริงๆอาจารย์หารท่านก็ในมนต์อัตมาแล้วแหละแต่เป็นช่วงเดือนมีนาเนี่ยหลวงพ่อบาลังท่านชวนอัตมาไปพักผ่อนจะบอกว่าไปพักผ่อนก็ใช่ไปวิเวกก็ใช่คล้ายๆว่าห่างจากวัดให้มันเบาสมองสักหน่อยอยู่กับวัดมันยุ่งกับงานกับการหลายอย่างก็เลยใช้คําว่า ไปถ้าไม่หนักสมองแล้วก็เหมือนกับไปพักผ่อนแต่ขณะเดียวกันเพื่อให้มันได้บุญก็เลยใช้คำมาไปวิเวกด้วยอยู่ป่าอยู่เขาทางภาคเหนือก็มีโอกาสก็ปฏิบัติไปตามสมควรทีนี้จากการไปคราวนั้นพระอาจารย์หารเจ้าวาดวัดนี้ท่านก็ทำหนังสือนิมนต์อัตมาโน้นส่งไปวัดที่อัตมาอยู่วัดภูหินดังอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรแต่อตมาไม่ได้อยู่เพราะอัตมาโน่อนออกแล้วตอนนั้นออกจากวัดไป วันหนึ่งพระอาจารหารก็โทรศัพท์ถึงอาตมาว่าอาจารย์ได้รับจดหมายนิมนต์แล้วหรือยังอาตมาบอกว่ายังท่านบอกว่าส่งไปทางวัดภูหินดังแล้วอาจารย์อยู่ไหนเดี๋ยวนี้อาตมาบอกว่าโอ้อาตมาออกจากวัดภูหินดังหลายวันแล้วขอนิมนต์อาจารย์นะครับว่าวันที่ยี่สิบหกนั้นตอนเช้าสวดถอนป่าชาตอนเย็นนิมนต์เจริญพุทธมนต์ก็พูดเพียงเท่านั้นอ่า ตอนนั้นยังไม่ได้ระบุว่าให้เทศดอกแต่ว่าท่านก็คงจะเคยถือว่าเมื่อสวดมนต์เสร็จปั๊บก็ น, นิมนต์เอาเลยคือเคยไปเป็นอย่างนั้นก็ไม่เ น, นื้อเทปที่เหลืออยู่ก็ขอบรรยายสรุปเกี่ยวกับชีวิตของนักบุญว่าชีวิตของนักบุญที่สมบูรณ์แบบที่สุดดีที่สุดก็คือชีวิตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ว่าเป็นชีวิตของนักบุญที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นเพราะว่าในชีวิตของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระรทมหรือทรงตรัสไปหรือแม้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงนึกล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งนั้นฉะนั้น จึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของนักบุญผู้สมบูรณ์แบบที่สุดพวกเราที่นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่านับถือก็คือศรัทธาศรัทธาในความดีของท่านศรัทธาในชีวิตการเป็นนักบุญของท่านฉะนั้นผู้ที่นับถืออย่างเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็คือเมื่อเห็นว่าท่าน เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สมบูรณ์แบบก็ขอให้ผู้นับถือพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีโดยการกระทำโดยการพูดและก็โดยการคิดพูดง่ายง่ก็คือเมื่อเราศรัทธาเคารพชีวิตนักบุญเราก็จะพยายามประพฤติตนตามนักบุญที่สมบูรณ์แบบ ด้วยความตั้งใจด้วยการพยายามฝึกฝนตัวเองอบรมตัวเองให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งอย่างฝังจิตฝังใจในสิ่งที่ดีงามขณะเดียวกันเมื่อฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีความรู้ดีในด้านจิตใจแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีความดี ในด้านกายในด้านวาจาโดยตั้งใจว่าจะไม่ทำอะไรจะไม่พูดอะไรตามนิสัยที่ถนัดจะไม่ทำอะไรจะไม่พูดอะไรตามอารมณ์ที่มากระทบเพราะบางทีไม่ใช่เป็นนิสัยแต่เป็นอารมณ์ชั่ววูบโกรธขึ้นมายั้งใจให้เก่งอย่าเพิ่งทําในขณะที่โกรธอย่าเพิ่งพูดในขณะที่โกรธ นี่เรียกว่าไม่ตามทั้งนิสัยไม่ตามทั้งอารมณ์แต่ชีวิตนักบุญนั้นจะต้องประพฤติตนตามหลักธรรมหลักของความดีงามเราจะพยายามทำตามหลักของความดีงามจะทำสิ่งที่ดีงามจะพูดสิ่งที่ดีงามแม้จะต้องขวัญอมขมกลืนก็พยายามฝืนอย่างนี้เรียกว่าบุคคลที่ยึดมั่นในหลักธรรม เพราะถ้าเราฝึกตนในหลักธรรมคือความดีงามแล้วเราก็จะได้นิสัยที่ดีงามประจำตนคนที่มีนิสัยดีงามติดกับจิตกับวิญญาณจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์นี่แหละเขาเรียกว่าทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดทุกสิ่งที่นึกล้วนแต่เป็นบุญฉะนั้นบุญก็คือความดีหรือสิ่งที่ดีนั่นแหละเรียกว่าบุญก็หยุดตรงนี้ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วในชาตินี้ถ้าเราอยากจะให้บุญติดนิดสัยที่วิญญาณเยอะๆเราก็ต้องทำดีบ่อยๆพูดดีบ่อยๆจนกว่าจะเคยชินจนกว่าจะติดนิดสัยนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วสิ่งที่ติดนิดสัยซึ่งดีงามเหล่านั้นมันก็จะไปกับดวงวิญญาณของเรากลายเป็นดวงวิญญาณที่มีดีติดไปเกิดฉะนั้นวิญญาณที่มีสิ่งซึ่งดีเกิด อยู่ในจิตในวิญญาณ น, นั้นก็จะพาให้ชีวิตเฟื่องฟูทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทำให้ชีวิตมีความราบรื่นเขาเรียกว่าบุญช่วยฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากท่านเปรียบว่าเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้เลยทีเดียวรากของต้นไม้จะมีรากแก้วรากขนแหงรากฝอยถ้ารากฝอยขาดต้นไม้ก็ยังอยู่ได้รากขนแหงถูกตัดขาดต้นไม้ก็ยังอยู่ได้ แต่ถ้ารากแก้วขาดแล้วต้นไม้จะอยู่ไม่ได้เลยสังคมเช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนขาดศีลขาดธรรมก็เป็นเหมือนสังคมที่ไม่มีรากแก้วจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายสารพัดซึ่งไม่เป็นที่ประสงค์ของอพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นอยากให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องใส่ใจเรียนรู้ธรรมะและก็ใส่ใจฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนมีธรรมะ ดังคำกลอนว่าบ้านเมืองจะเรืองรุ่งต้องะดุงศาสนาศีลธรรมย่อมนำพาปวงประชาสุขจเจริญแหล่งใดไม่เสริมาศาสิลพินารทำห่างเหินแหล่งนั้นย่อมยับเยินสุขจำเรินบอ่ห่อนมีอันศีลธรรมเปรียบได้คล้ายรากแก้วขาดรากแล้วกิ่งใบไม่ไพศาลคนจะดีมีสุขชั่วกาลนาน เพราะรากฐานประพฤติดีมีศีลธรรมอันคนดีอันความดีมีค่ากว่าความสวยดีอํำนวยอวยสุขทุกสมัยส่วนความสวยเสื่อมซามไปตามวัยดีคงไว้ซึ่งดีไม่มีแปรนี่จะเห็นได้ว่าคำกรนเหล่านี้เป็นคำกรนแบบไทยๆ แต่เนื้อหาสาระของคํากร น, นั้นเป็นเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับธรรมะซึ่งเป็นคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าใครจะมีอะไรอะไรก็ตามแต่ถ้าขาดธรรมะแล้วการมีอย่างอื่นก็ไม่อาจที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขตามที่ปรารถนาได้เช่นในครอบครัวที่มีทรัพย์มีสินร่ํารวยมหาศาลคนในครอบครัวนั้นมีความรู้เรียนจบสูงๆทั้งนั้น แต่ถ้าขาดความดีแล้วครอบครัวนั้นจะไม่มีความสงบสุขตามที่หวังเลยนี่แหละความสำคัญของคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ควรจะตระหนักมากๆควรจะใส่ใจมา ก, มากอ่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤตธรรมย่อมอยู่เป็นสุขฉะนั้นสังคมใดครอบครัวใดประพฤตธรรมปฏิบัติตนอยู่ในธรรมะ ครอบครัวนั้นก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่เป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงฉะนั้นตัวอย่างก็ปรากฏให้เห็นมากมายในสังคมของพวกเราจึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายได้ใส่ใจได้